ตอนที่สี่มุ่งสู่ตัวเมืองเพื่อหาหนทางรอดลีชิงพิงรอคอยคํานี้จากเขาอยู่พอดีฉันกับลูกสาวตั้งใจจะไปจากที่นี่แต่ยังขาดหนังสือแนะนําตัวไม่ทราบว่าท่านพอจะช่วยจัดการให้พวกเราได้หรือไม่ลีหวันกับลีชิงพิงปรึกษากันเรียบร้อยแล้วสองแม่ลูกเห็นตรงกันว่าการรั้งอยู่ในหมู่บ้านต่อไปนั้นไม่ปลอดภัยอีกทั้งในตัวยังมีเงินติดอยู่ไม่น้อยจึงตั้งใจจะจากที่นี่ไปมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองการพัฒนาในตัวเมืองย่อมดีกว่าในหมู่บ้านแน่นอนลี่หวันตั้งใจจะพาแม่ของนางไปเสวยสุขที่น่นนั นางมีน้ำผู้วิญญาณมีมิติส่วนตัวทั้งยังมีวิชาแพทย์อันลัมเลริรติดตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนางก็สามารถเลีงดูตัวเองและแม่ได้อย่างสบายจะไปที่ไหนเจิ้งหยุนชงไม่ได้มีเจตนาอื่นเขาเพียงแค่เป็นห่วงว่าผู้หญิงตัวคนเดียวกับเด็กหญิงตัวเล็กๆจะไปอยู่ที่ไหนกันได้ลีชิงผิงเป็นเทียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องกระเตงลูกสาวไวเพียงไม่กี่ขวบพวกนางจะไปที่ไหนได้อีกเขาได้รับรู้สถานการณ์ทั้งหมดแล้วในใจจึงรู้สึกไม่พอใจโจเจี้ยนเย่ยเป็นอย่างมาก ผู้ชายที่แม้แต่เมียและลูกสาวของตัวเองยังปกป้องไม่ได้จะไปมีอนาคตที่รุ่งโรจน์ได้อย่างไรกันวันๆเอาแต่ฟังคําเป่าหูของแม่ตัวเองทําไมกันเขาเป็นพวกลูกแหน่ที่ติดแม่แจรหรืออย่างไรตลอดหลายวันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเจิ้งหยุนชงเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นลีชิงพิงเป็นผู้หญิงที่ดีส่วนหลีหวานก็เป็นเด็กสาวที่ว่านอนสอนง่ายและรู้ความยิ่งนักเป็นแม่ของโจวเจี้ยนเย่ยต่างหากที่ทําเกินไปไปในเมืองค่ะ ลีชิงผิงกล่าวเสียงเบาเจิ้งหยุนชงชะงักไปเล็กน้อยในเมืองหรือเขตทหารของโจเจี้ยนเย่ยก็อยู่ในเมืองหรือว่าสองแม่ลูกคู่นี้จะไปตามหาเขาค่ะลีชิงผิงพยักหน้าเบาๆมีบางคำพูดฉันอยากจะบอกกับเขาต่อหน้าหลีหวานจุดประสงค์หลักของการไปในเมืองครั้งนี้ย่อมไม่ใช่เพื่อไปหาโจเจี้ยนเย่ยนแน่นอนแต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องพูดให้ชัดเจน ในนิยายต้นฉบับหลังจากที่สองแม่ลูกหลีชิงผิงตายไปแล้วยังถูกคนตระกูลโจใส่ร้ายว่าเป็นนางแพทย์ยาที่ทำตัวไม่สะอาดจนต้องเสียชื่อเสียงไปอย่างเย่อยยับหากหลีหวันเดาวไม่ผิดตอนนี้หนิวซูเฟินคงกำลังหาทางแจ้งเรื่องการอย่าให้โจเจี้ยทราบแต่นางคงจะโยนความผิดทั้งหมดไปที่หลีชิงผิงและทำให้นางกลายเป็นคนเลวในสายตาเขาในยุคสมัยนี้ชื่อเสียงยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ยายแก่จิตใจชั่วร้ายนั่นอยากให้ลูกชายตัวเองได้แต่งงานใหม่แบบเขาสะอาดอย่างนั้นหรือฟันกลางวันไปเถอะตกลงเจ้างยุนชงรับคำทันทีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรสำหรับเขาเพราะเขาก็ต้องกลับไปอยู่แล้วถือว่าไปทางเดียวกันพอดีขอบคุณค่ะลีชิงผิงลุกขึ้นไปเก็บข้าวของอะไรที่ควรเอาไปนางก็ต้องเอาไปให้หมดความจริงก็ไม่มีอะไรให้ต้องเก็บมากนะักสัมภาระของทั้งคู่รวมกันแล้วเป็นเพียงห่อผ้าใบเล็กๆ เ, เ, เท่านั้น ก่อนที่หลีชิงพิงและลูกจะออกเดินทางนางยังคงไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบส่วนคนอื่นๆ น, นางไม่ได้บอกใครเลยบ้านตระกูลโจหลังจากที่หนิวซูเฟินส่งใบสําคัญการหย่าพร้อมกับจดหมายที่ป้าสีว่าหลีชิงผิงไม่ซื่อสัตย์และอกตันอยู่ออกไปแล้วนางก็รู้สึกบอดโปร่งโล่งใจยิ่งนักโจชุนหงรู้สึกเสียดายเงินสองพันกวอยวนน่นแทบขาดใจแม้เงินสองพันหยวนไม่ใช่จํานวนน้อยๆยเลยนะแม้ให้ไปง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงโจชุนหงกล่าวอย่างไม่พอใจ หลีชิงถิงไม่คู่ควรกับเงินนั่นเลยสักนิดหลีชิงถิงน่าไม่คู่ควรหรอกแต่พี่สะพ้ยคนเมืองที่กำลังจะแต่งเข้ามาน่ะคู่ควรนิวซูเฟินเหลือบมองลูกสาวด้วยหางตาอีกอย่างใครบอกว่าเงิน2 0 0พันหยวนนั่นจะยกให้หลีชิงถิงจริงจริงนางก็แค่ฝากไว้ในกระเป๋าของหลีชิงถิงชั่วคราวเท่านั้นเองตอนนี้ถึงเวลาต้องไปเอาคืนแล้วไปนิวซูเฟินลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางดุดันไปเอางเงินคืนกัน เมื่อโจอชุนหงเห็นว่าแม่ของนางยังมีแผนสำรองอยู่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแม่ถ้าได้เงินคืนมาแล้วหนูขอซื้อชุดกระโปรงใหม่สักชุดได้ไหมหนูอยากได้แบบล่าสุดของปีนี้เลยถุยชุดกระโปรงในตู้แกยังมีไม่พออีกหรือไงเงินของฉันแกอย่าหวังจะได้แต่แม้แต่เมาเดียวนี่ฉันเก็บไว้ให้ลูกสะใภ้ของฉันนิวซูเฟินด่ากลับอย่างไม่ไว้หน้าโจชุนหงทำหน้ามุยพางกรอกตาใส่ทว่าสิ่งที่ทําให้ทั้งคู่คาดไม่ถึงก็คือในลานบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว มันว่างเปล่าหนิวซูเฟินได้สติขึ้นมาทันทีนางผู้หญิงหลีชิงผิงคนนั้นต้องหอบเงินหนีกลับบ้านเดิมไปแล้วแน่ๆพวกคนบ้านเดิมของนางไม่ใช่พวกที่จะรับมือได้ง่ายๆหนิวซูเฟินจึงหมุนตัวมุ่งหน้าไปยังบ้านตระกูลหลีทันทีใครจะรู้ว่าต้องควาน้ําเหลวอีกครั้งหนิวซูเฟินไม่เชื่อว่าหลีชิงผิงจะไม่ได้กลับมานางผู้หญิงคนนั้นพาลูกหนีไปที่ไหนได้ต้องเป็นคนตระกูลหลีแน่แน่ที่ซ่อนตัวนางไว้เพื่อหวังเงินสองพันหยวนนั่น คนตระกูลหลีเองก็ไม่ใช่พวกยอมคนพอได้ยินว่าหลีชิงถิงมีเงินและสงสัยว่าเงินนั่นอาจเป็นเงินชดเชยที่ทางกองทัพให้มาจึงตะโกนด่าทอให้หนิวซูเฟินส่งตัวคนออกมาในชั่วพริบตาตระกูลโจกับตระกูลหลีก็เปิดศึกตลุมบอลกันจนวุ่นวายหลีชิงถิงกับหลี่วันต่างก็เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกวิธีการเดินทางในยุค80คือการนั่งรถไฟหลังจากลงจากรถไฟแล้วสองแม่ลูกก็เดินตามเจ้งหยุนชงไปติ ด, ตด ที่สถานีรถไฟมีผู้คนสัญจรไปมาอย่างเร่งรีบหากไม่ระวังเพียงนิดเดียวอาจถูกฝูงชนเบียดจนพัดหลงกันได้เจิ้งหยุนชงเดินนำหน้าเพื่อเปิดทางเขาค่อยหันกลับมาดูเป็นระยะว่าสองแม่ลูกตามทันหรือไม่และจงใจผ่อนฝีเท้าลงเพื่อรอพวกนางรายงานเมื่อเดินออกมาจากสถานีรถไฟเสียงที่ใสและดังกังวานก็แว่วมาเจิ้งหยุนชงพยักหน้าด้วยท่าทางสุ ข, ขุมกลับเขตทหารจากนั้นเขาก็เปิดประตูรถยนต์และบอกให้สองแม่ลูกขึ้นรถ หลี่ชิงผิงเพิ่งเคยนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นางจะได้นั่งรถยนต์เช่นกันนางยืนเก้เกก๊กันกลงอยู่กับที่อย่างคำตัวไม่ถูกเจงหยุนชงจึงอุ้มหลี่หวานขึ้นรถไปก่อนหลี่ชิงผิงถึงได้ยอมกล้าตามขึ้นไปเจิ้งหยุนชงปิดประตูรถเสียงดังปงังพนทหารคนสนิทถึงกับอึ้งไปเมื่อเห็นหลี่ชิงผิงและลูกสาวผู้หญิงท่านรองผู้พันพาสตรีกลับมาด้วยอย่างนั้นหรือ แถมดูเหมือนว่าท่านรองผู้พันจะดูแลสองแม่ลูกคู่นี้เป็นอย่างดีเสียด้วยโมยืนเบื้ออยู่ทำไมออกรถครับคนทหารคนสนิทรีบดึงสติกลับมาและตั้งใจขับรถเจิ้งหยุนชงครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวกับหลีชิงถิงว่าพวกคุณตามผมไปที่เขตทหารก่อนผมจะช่วยจัดการเรื่องหนังสือแนะนำตัวให้ในเมื่อพวกคุณไม่มีที่ไปชั่วคราวสู้พักอยู่ที่เรือนพักรับรองของเขตทหารไปก่อนจะดีกว่า น้ำเสียงของเจิ้งหยุนชงชะงักไปเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาจึงอยากจะอธิบายเพิ่มอีกสักหน่อยเขาเงยหน้าขึ้นสบสายตาของหลีชิงผิงที่กำลังตั้งใจฟังอยู่พอดีจึงเม้มริมฝีปากแน่นตามจริงผมควรจะเชิญพวกคุณไปพักที่บ้านของผมแต่ในใต้หยวนนั้นมากคนมากความผมเกรงว่าจะทำให้พวกคุณสองแม่ลูกต้องถูกมินทาโดยไม่จำเป็นขอบคุณคคุณอาเจิง้งพักที่เรือนพักรับรองก็ได้ค่ะ หลี่หวันรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับการไปอยู่บ้านคนอื่นการพักที่เรือนพักรับรองกลับทำให้รู้สึกเป็นอิสระมากกว่าอืมดีแล้วที่เรือนพักรับรองมีของใช้ครบครันถ้าพวกคุณขาดหรืออะไรก็บอกผมได้โดยตรงผมจะจัดการเตรียมไว้ให้เจิ้นหยุนโฉงกล่าวพลางนึกทบทวนว่ายังมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ผ่านไปครู่หนึ่งเขาจึงกล่าวต่อถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้ช่วยอย่าได้เกรงใจค่ะได้คะ่ะ ลี่ชิงพิงพยักหน้าเบาๆสายตามองออกไปนอกหน้าต่างรถที่เห็นถนนหนทางในเมืองที่แท้นี้คือตัวเมืองช่างดีเหลือเกินมีหน้าเล่าตลอดหลายปีที่แต่งงานกับโจเจี้นเยี้เขาถึงได้กลับบ้านเทียมไม่กี่ครั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวมมีของขายสารพัดอย่างรถยนต์ขับเคลื่อนไปอย่างราบเรียบไม่เหมือนถนนดินที่ครุกคละในชนบทไม่นานนักรถก็มาถึงเขตทหารเจิง้งหยินชงจัด ก, การให้สองแม่ลูกเข้าพักห้องพักในเรือนพักรับรองสะอาดสะอ้านมีทั้งเครื่องนอนและกระติกน้ําร้อนแถมยัมีห้องน้ําที่สะดวกสบายมากอีกด้วย ด้วยเหตุนี้2แม่ลูกจึงไม่ต้องออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกตอนกลางคืนและการล้างหน้าแปรงฟันก็สะดวกยิ่งนะัก